ทางที่มารหาไม่พบพระพุทธภาษิตเตสร้างสัมปันนซีลานังอัปปมาดวิหารินางสัมมาดัญญาวิมุตตานังมาโรมคังนวินติมารย่อมหาไม่พบซึ่งทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้อยู่ดยกว่ามไม่ประมาทผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบอธิบายความตามพระพุทธภาษินี้ได้ทำอันเป็นเหตุให้มารตามหาไม่พบสามประการคือหนึ่งความมีศีลสมบูรณ์ สการอยู่ด้วยความไม่ประมาทสาความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบในอุเทศคือพระบาลีทั้งปวงเมื่อกล่าวถึงความเป็นผู้มีศีลของภิกษุก็จะให้ข้อความว่าเป็นผู้สํารวมในพระปาริโมกศีลหลักเป็นผู้สำรวมด้วยอาจาระและโคจรคือศีลส่วนปลีกย่อยหรือสมัติผู้ดีมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยคือเห็นการร่วมสิขาบทแม่เล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัวแล้วตั้งใจสํารวมอยู่ในศิขาบท ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อันหนึ่งในปรเทศอื่นอีกเช่นในอปริหานิยธรรมสูตรและสารานิยธรรมสูตรกล่าวถึงศีลอันบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ดางไม่พร้อยวิญญูชนสรงเสริญอันตันหาและทิฏฐิเข้าไปจับไม่ได้และเป็นไปเพื่อสมาธิคือทําให้เกิดสมาธิได้ง่ายความเป็นผู้มีศีลดีของพิสุทธ์นั้นเป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสทําผู้เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้น ทำปัจจัยที่ทายกถวายให้มีผลมากเป็นอุบายรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนทำตนให้พ้นจากเวรและเป็นบรรไดก้าวขึ้นสู่สวรรค์และนิพพานอันเป็นสถานที่มานไม่สามารถหาให้พบได้ความไม่ประมาทได้อธิบายมามากแล้วในอัปมาดะวัตรรวมความว่าการอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่ด้วยการมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกอิริยาบถความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบความรู้ชอบนั้น คือรู้ความตามเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงไม่ยอมให้สิ่งใดลวงได้ตัวอย่างเช่นรู้สิ่งไม่เทียงว่าไม่เทียงรู้สิ่งอันเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เป็นต้นหากรู้วิปลาสไปเรียกว่ารู้ไม่ชอบเมื่อรู้ชอบอยู่สม่ำเสมอย่อมหลุดพ้นได้วิมุตต์ความหลุดพ้นนั้นท่านจะแนกไว้ห้าประการคือหนึ่งตทังขวิมุตพ้นชั่วคราวเช่นจิตเป็นสมาธิชั่วคราวสองวิขำพนวิมุต พ้นด้วยอาการข่มไว้เช่นความพ้นของผู้ได้ฌานสมสมุดเฉดวิมุตต์พ้นอย่างเด็ดขาดเช่นการพ้นของพระอริยบุคคล 4. ปฏิปัปสสธิวิมุตต์พ้นอย่างสงบประงับเป็นความเย็นอย่างหนึ่งอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมุดเฉดวิมุตต์ประการที่สเหมือนไฟดับแล้วแต่ขี้เท่ายัางอุ่นอยู่ส่วนประการที่สี่นั้นคืออาการที่เป็นเสมือนขี้เท่าซึ่งเย็นแล้วหนิสรณวิมุตต์พ้นอย่างสลัดออก น่าจะหมายถึงการสวยผลแห่งความหลุดพ้นไปจนตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นผลของความหลุดพ้นประการที่สี่นั่นเองสืบช่วงต่อกันลงมาเปรียบให้เห็นอีกอย่างหนึ่งสมุดเฉดวิมุตเหมือนอาการหายโรคเพราะยาเข้าไปตัดปฏปประซับทิวิมุตเหมือนความเย็นกายความสบายของกายเพราะไม่มีโรคใดใเบียดเบียนนิสรณวิมุตเหมือนการมีความสุขอันยั่งยืนเพราะไม่มีโรคใหม่ใดใดเข้ามาเบียดเบียนอีกอันหนึ่ง นิสระนาวิมุตนั้นน่าจะกินความไปถึงการทับขันของพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์อีกด้วยสลัดออกไปจากความทุกข์ทรมารในโลกนี้ทั้งปวงวิมุติทั้งหประการนี้สองประการแรกเป็นโลกิยะประการที่หนึ่งคนสามัญทั่วไปก็มีได้ประการที่สองสำหรับท่านผู้ได้ฌานส่วนสามประการหลังเป็นโลกุตระสาหรับพระอริยบุคคลวิมุติทั้งหนี้บางทีเรียกว่าวิเวกคําอธิบายเหมือนกัน ผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสามประการดังพนามามานย่อมหาไม่พบมานนั้นแปลว่าผู้ล้างพลานคุณความดีเช่นกิเลสมารเป็นต้นในเรื่องนี้พระาศาสดาทรงปราบการนิพพานของพระโคธิกะแล้วมานเที่ยวตามหาวิญญาณของท่านมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องการนิพพานของพระโคธิกะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤึกสมัยนั้น พระโครูิกะดทำความเพียรอยู่ที่ทำกาลสิลาข้างภูเขาอิสีคิลิท่านทำความเพียรจนได้เจโตวิมุตคือความหลุดพ้นเป็นครั้งคราวเช่นตะทางาวิมุตและวิขมพนวิมุตแต่วิมุตนั้นต้องเสื่อมไปเพราะโรคอันเรื้อรังประจำสังขารบางอย่างของท่านถึงกระนั้นท่านก็พยายามเรื่อยไปบางคราวยังชานขั้นที่สองที่สามให้เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปอีกถึงหกครั้งพอถึงครั้งที่เจ็ท่านคิดว่า เราเสื่อมจากฌานถึงหกครั้งแล้วกติของผู้เสื่อมจากฌานเป็นของไม่แน่นอนคราวนี้เราจะทําฌานให้เกิดขึ้นแล้วจะฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ฌานเสื่อมเสียก่อนดังนี้แล้วนํามีดโกนมาวางไว้บนเตียงเพื่อจะตัดกา้านคอมารเห็นอาการของพระโคติกาเช่นนั้นจึงคิดว่าภิกษุนี้นําำสตรามาเพื่อ p r o l ชีวิตของตนภิกษุเช่นนี้ย่อมหมดอาลัยในชีวิตเธอเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้วอาจบรรลุอรหัตผลได้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 ยังมิได้บรรลุทำอะไรเลยจะพึงทำกาละเสียกระไรอยู่ขอพระองค์ทรงห้ามเถิดขณะเดียวกันนั้นพระโคธิกะนำสตรามาทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วเจริญวิปัสนาท่านได้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยสิ้นชีวิตพระศัสดาทรงทราบโดยตลอดและทรงทราบว่าผู้มาทูลพระองค์นั้นเป็นมารจึงตรัสว่าปราทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือไม่อะไรในชีวิตโคธิกะถอนตัณหาพร้อมทั้งร่าขึ้นได้แล้วปะพินิพานแล้ว พระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแวดลอ้อมเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระโคติกะขณะนั้นมารเที่ยวแสวงหาวิญญาณของพระโคติกะอยู่ว่าวิญญาณนั้นไปนอยู่ที่ใดเมื่อไม่อา จ, จแสวงหาให้พบได้จึงแปลงเพศเป็นกุมาร น, น้อยถือพินสีเหลืองเข้ามาเฝ้าพระศาสดาและทูลถามว่าวิญญาณของพระโคติกะอยู่ที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุชื่อโคติกะเป็นปราดมีศีลสมบูรณ์ดีดีในฌาน มีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใยดีต่อชีวิตชนะเสนาแห่งมั จ, จุราได้แล้วไม่มาสู่ภพนี้อีกเธอถอนตันหาพร้อมทั้งรากได้แล้วปรินิพพานแล้วมารได้ยินดยงนั้นเสียใจเศร้าโศกหายไปแล้วพระศาสดาตรัสว่ามารผู้หลามกต้องการอะไรด้วยวิญญาณของโคติกะคนอย่างมารแม้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจแสวงหาที่เกิดของคนบุตรเช่นโคติกะได้ดังนี้แล้วตรัส พระคาถาว่าเต้ังสัมปันนศีลานังเป็นอาทิมีนัยยะดังพระนามาแล้ว